เรื่องขัดเล็บสมัยนั้นพวกภิกษุฉับ พ, พักขีช่วยกันขัดเล็บทั้งยี่สิบเล็บคนทั้งหลายตำหนิประนามโพลทนาว่าทําเหมือนคฤหัสถ์ผู้บริโภกกามภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่พึงขัดเล็บทั้งยี่สิบเล็บรูปใดขัดต้องอาบัดทุกกฏภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้แคคขี้เล็บได้เท่านั้น